วันนี้เทศให้ฟังแถมเชื่อภาวนาหวังความพ้นทุกข์จริงๆต้องเด็ดเดี่ยวนะทำเล่นๆยยอแแย่ย่อกแย่ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาตอนนี้ในศาลากำลังวุ่นวาย เราต้องอยู่โดยไม่วุ่นวายได้สมัยหลวงพ่อเป็นโยมยังไม่ได้ปวดหัดภาวนาอยู่ในกรุงเทพวุ่นวายก็ยังภาวนาได้นะภาวนายอยู่ได้ทำกลางปวามวุ่นวายนะ อยู่ที่เราเอง น, นฝึกตัวเองตรงไหนมันวุ่นวายมากก็ไม่เข้าไปอย่างไปตามห้างตามอะไรถ้าที่ไหนพวกวัยรุ่นอยู่เยอะอะไรองหลวงพ่อไม่เข้าไปเวียนหัวแต่จะใช้ชีวิตยอย่างที่พวกเราใช้นี่แหละบ้านในเมืองเราอยู่ใกล้ๆกกัน เปิดวิทยุโทรทัศน์ดังๆอะไรก็ได้ยินกันหมดทะลอบกันเลยเวลาเดินทางไปขึ้นรถเมล์คนก็แน่นสมัยนี้ไม่รู้แน่นไหมไม่ได้เข้ากรุงเทพนานในความวุ่นวนะายหลวงพ่อภาวนานะ ไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่โลกมันวุ่นวาย่ยใจเราไม่วุ่นวายไปด้วยคอยอ่านใจตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนอ่านใจตัวเองใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราดีใจเราร้ายตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆด้ เวลากระทบอารมณ์ที่พอใจใจมันพองได้มาพองโตเราก็รู้ทันมันกระทบอารมณ์ไม่ดีนะใจมันดิ้นเล่าๆไม่พอใจรู้ทันมันไปไปมาๆกนะ็เริ่มเห็นโลกข้างนอกที่ดูวุ่นวายความจริงมันไม่ได้วุ่นวายแล้วมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นไปแล้ว จะวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายนอยู่ที่ใจของเราเองถ้าใจเราวุ่นวายด้วยมันก็วุ่นวายเราก็รู้สึกว่าโลกวุ่นวายใจเราสงบเนอะรู้สึกโลกนี้ไม่มีอะไรว่างๆสงบงี่นเราไม่ต้องโทษคนอื่นนะว่าทำความวุ่นวายให้เราทำความเดือดร้อน โทษก็โทษใจของเราเองฝึกมาไม่ดีค่อยๆฝึกนะทีแรกมันก็สู้ไม่ไหวแล้วกระทบกับโลกดูมันวุ่นวาย ใ, ใจเราวุ่นวายไปด้วยค่อยรู้ค่อยเห็นจิตใจตัวเองไปถึงวันหนึ่งมันสงบอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเห็นคนทะเลาะ ก, กันเห็น ข่าวมีแต่เรื่องทะเลาะ ก, กันย่งชิงผลประโยชน์กันเอาประเทศมาเป็นข้ออ้างบ้างอะไรบ้างธรรมาชาตินักการเมืองอะไรเงี้ยจะเห็นข้าราช ก, การขอรับช่นมีข่าวมาใหม่ๆได้ยินพวกนี้แล้วก็หงุดหงิด น, นะภาวนาไปนานๆแล้โลกมันเป็นอย่างนี้ โลกมันก็เป็นของโลกอย่างนี้นะมีคนดีเยอะๆโลกมันก็ไม่โตขึ้นมีคนเลวเยอะๆโลกมันก็ไม่เล็กลงทำไงเราต้องฝึกตัวเองไม่ทุกข์ท่านพุทธทาสบอกว่าฝึกมันเหมือนลิ้นงูลิ้นงูอยู่ในปากงู ลิงงูไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่ในที่อันตรายมากๆเลยไม่ได้เดือดร้อนเราฝึกใจของเราให้เหมือนน้ําำเวลาร้อนมันก็เปลี่ยนสภาพไปเวลาอากาศมันเย็นนะ้นําำก็ไม่ได้เดือดร้อนมันก็เปลี่ยนสภาพของมันไปแต่มันยังคงสภาพความเป็นน้ำของมันอยู่หรือเหมือนแผ่นดิน เอาของสะอาดไปเทใสนะ่แผ่นดินก็ไม่หลงยินดีของโสโครกไปเทใส่แผ่นดินก็ไม่ยินร้ายหรือเหมือนไฟไปเผาศพไฟก็ไม่ได้เสียหายอะไรไปเผาของหอมๆเผาเครื่องหอมไฟก็ไม่ได้ดีใจด้วยฝึกจิตให้เหมือนเหมือนลม ลมพัดไปในที่โสกปลกบ้างที่สะอาดบ้างลมก็ไม่เดือดร้อนอะไรน้ำทำความสะอาดในล้างสิ่งโสกปลกไปน้ำก็ไม่ได้เสียหายอะไรเอาไปลดสิ่งที่ดีๆสมว่าเอาไปส่งน้ำพระ พวกเราปลื่มใจเนะน้ำไม่ได้ดีใจด้วยเอาไปลดศพน้ำก็ไม่เสียใจด้วยถ้าจิตเราฝึกดีแล้วนะมันจะเหมือนดินเหมือนน้ำเหมือนลมเหมือนไฟมันไม่กระเพื่อมบั่นไวไปกับอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นกลางอยู่ในทุกๆุกสภาวะได้ ฝึกตัวเองนะแล้วก็มันจะมีความสุขไม่ฝูขึ้นไม่แฟบลงตามโลกทำไงมันจะไม่ฟูทำไงมันจะไม่แฟบมันฟูขึ้นมาคอยรู้ทันมันแฟบลงไปก็คอยรู้ทันดูใจของเราไปเรื่อยต่อไปปัญญามันเกิด เห็ น, นจิต ท, ที่ฟูขึ้นมานมันก็อยู่ชั่วคราวจิต ท, ที่แฟบมันก็อยู่ชั่วคราวไม่เห็นหน้ายินดียินร้ายอะไรเล ย, เลย mm hmm. ก็อารมณ์ที่ดีกับอารมณ์ที่ไม่ดีกระทบอารมณ์ดีก็ฝูขึ้นมาแต่มันก็อยู่ได้ชั่วคราวเดี๋ยวอารมณ์ดีผ่านไปหมดความหมาย บางทีอารมณ์มันนั้นยังอยู่นะแต่ใจเราเองเบื่อสกักกอนอย่างเรารักใครสักคนนะอยากอยู่กับเขาออยู่ได้ไปนานๆแจมก็จืดๆเฉยๆเวลาเจออารมณ์ไม่ดีเกลียดมันแทบตายไล่มันก็ไม่ไปไม่ถึงเวลามันก็ไป ห้ามมันไม่ได้รักษาอารมณ์ที่ดีไว้ก็ไม่ได้ไล่อารมณ์ที่เลวก็ไม่ได้เราไปแก้ไขที่อารมณ์ไม่ได้เราก็มาพัฒนาที่ใจของเราซึ่งเป็นคนรู้อารมณ์ถ้าใจไปกระทบอารมณ์ดีก็เป็นกลางเพราะฉลาดรู้อารมณ์ที่ดีอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไปเวลาอารมณ์ดีมาใจก็เป็นกลาง เวลาอารมณ์ไม่ดีมาอย่างความเจ็บไข้ได้ป่วยมาสู่ตัวเราหรือความพลัดพลาดจากคนที่เรารักเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีใจเราก็เศร้าหมองเสียใจเราไปแก้ที่ตัวอารมณ์ไม่ได้วิบากส่งผลมาให้เราเจออารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีเนยเป็นผลของวิบากทั้งหมด มีบาคที่ดีให้ผลมาเราก็เจออารมณ์ที่ดีมีบาคที่เลวส่งผลมาเราก็เจออารมณ์ที่เลวนั่นอารมณ์นะั้นเราไปควบคุมอะไรมันไม่ได้แต่จิตนั้นเราฝึกได้พามาเรียนรู้อารมณ์ไปได้เห็นมันกระทบอารมณ์อย่างนี้ใจมันพองทบอารมณ์อย่างนี้ใจมันแฟบเคยรู้ทันที่ใจเราไม่ใช่รู้ที่ตัวอารมณ์ เห็นหน้าคนนี้รักขึ้นมารู้ทันว่ามันรักเห็นหน้าคนนี้เกลียดขี้หน้ารู้ทันว่าเกลียดขี้หน้าเฟ้ารู้รู้ทันใจของเราซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทบอารมณ์กระทบอย่างนี้มีความสุขกระทบนี้มีความทุกข์มีความสุขก็ชอบมีความทุกข์ก็ไม่ชอบเนี่ยคอยรู้ทันอยู่ที่ใจเราใจเรามีความสุขใจเราชอบรู้ว่าชอบ แต่เราอยากให้อารมณ์ที่ดีอยู่ตลอดมันไม่อยู่มันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไปกระทบอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวอยู่ชั่วคราวมันก็หายไปอารมณ์ที่ไม่ดีใจเรากระทบอารมณ์ไม่ดีใจเราเหี่ยวเฉาหรือใจเราโกรธขึ้นมารู้ทันที่ใจในสุดเราจะเห็นนะใจเราเนี่ยไม่คงที่ ก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงตลอดเวลาถ้าภาวนามากๆนะต่อไปจะเห็นนะมันไหวอยู่ในกลางอกเนี่ยไหวก็เพิ่มไหวอยู่ตลอดเวลากะทบอารมณ์ที่ดีก็ก็กเพิ่อมกระทบอารมที่เลวก็ก็เพิ่มแล้วสติปัญญาไม่ทันนั้นก็ปรุงอารมณ์กุศลบ้างอกุศลบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างขึ้นมา ตอนนีใจที่ไม่ได้ฝึกให้พอสมควรกระทบอารมณ์ที่ดีใจพอใจมีความสุขก็หลงเพลินใจฟูหลงเพลินไปกระทบอารมณ์ที่ไม่มีความสุขใจก็แฟหรือโมโหดินเล่าๆทปอาหนาไม่ได้นั่งดูอารมณ์พอวนาไม่ใช่ดูรูปไม่ใช่ดูที่เสียง นะฟังเสียงดมกลิ่นริ้มรสรู้สัมผัส ท, ทางกายอะไรภาหนาะนะให้ถึงจิตถึงใจตาเห็นรูปแล้วใจเราเป็นยังไงหูได้ยินเสียงแล้วใจเราเป็นไงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสแล้วใจเราเป็นไงอย่างวันนี้ลมหนาวมาคนส่วนใหญ่ชอบฤดูหนาวพอลมหนาวมากระทบร่างกาย ร่างกายไม่ได้ดีใจใจเราเป็นคนตัวพองขึ้นมันดีใจเลยกระทบอากาศร้อนจัดๆเราไม่ชอบ อ, อะไรใครย้อยอย่างนี้ร่างกายมันเป็นตัวกระทบความร้อนมันไม่บ่นสักคํานะใจเราแต่ไม่ชอบนั้นร่างกายมันเป็นดินธาตุดินน้ําไฟลมมันไม่ดีขึ้นมันไม่เลวลงนะ้ อยู่ได้มันก็อยู่อยู่ไม่ได้มันก็แตกสลายไปก็กลายเป็นธาตุไป ใ, ใจเราต่างหากละ่ะที่เปลี่ยนแปลงเพรนัเวลาเราภาวนานะอย่ามัวแต่ดูรูปเสียงกลิน่นรสโภชพะอย่ามัวแต่ดูความคิดนึกอะไรของเราให้รู้ที่จิตใจของเรากระทบอารมณ์อย่างนี้ พอใจกระทบอารมณ์อย่างนี้ไม่พอใจไม่พอใจก็โกรธทึ่มาพอใจก็โลภขึ้นมากระทบอารมณ์แล้วดูไม่ออกก็หลงเพ ล, ลินไปไม่รู้ทันจิตใจตัวเองก็ห ล, ลงให้คอยเฝ้ารู้จิตใจตนเองไวครูบาอาจารย์ท่านสอนแล้วมผูดด้ใดตามรู้จิตตนเองไย จะพ้นอำนาจของมานมานเอารูปเสียงตลนรสสัมผัสต่างๆมาล่อเราเราฝึกจิตไม่ดีเราก็หลงฟูหลงแฟบไปก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงไปหัดใหม่ๆ ห, หรือไม่ได้หัดอาจจะเห็นว่าเวลากระทบอารมณ์ไม่ดีทุกถ้ากระทบอารมณ์ดีแล้วสุข ภาวนามากๆมาจะเห็นทุกครั้งที่จิตกระเพื่อมไม่ว่าจะเพื่อมเพมราะอารมณ์ดีหรือก็เพื่อมเพมราะอารมณ์ร้ายจิตที่ไม่มีความสุขจิตที่กระเพื่อมบั่นไสไม่มีความสุขจิตที่สงบสรรันติมีความสุขท่านถึงสอนนะความสงบนะเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่มี ความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบความสงบไม่ใช่อารมณ์สงบแต่ว่าจิตสงบอารมณ์ไม่มีวันสงบหรอกมันกระทบเข้ามาตลอดเวลาไปห้ามมันไม่ได้อย่างเราอยากจะไปไหนมาไหนนะมีมอบอะไรเงี้ยเราจะไปห้ามมันนะห้ามไม่ได้ ใ, ใจเราโมโหอย่างเงี้ยเราฝึกดีๆไม่โมโหอ่ะมันเป็นธรรมดา กระทบารมที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง้เราฝึกตัวเองไปในี่สุดเราจะอยู่เหนือโลกโลกมันก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะทั้งหลายนั่นแหละเรื่องราวที่เราหลงคิดหลงปรุงเป็นเรื่องโลกๆลกโลกภายนอกกอรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะโลกภายในก็คือ ความคิดนกปรุงแต่งเราเองพอามากระทบแล้วใจมันกระเทือนกระเทือนด้วยความยินดีบ้างยินร้ายบ้างหาดภาวนามากๆจะเห็นนใจกระเทือนนั้นมันทุกข์เมืนหลวงพ่อภาวนานะตอนเป็นโยมจะเห็นนะใจมันไหวตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนตามองเห็นรูปจิตเกวไหวหูได้ยินเสียงจิตเกวไหว จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตก็ไหวไหวไหวไหวอยู่ทั้งวันนั้งคืนภานาไปนเห็นโอ้โหมันเป็นภาระนะอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาสู่จิตนะไม่มีเห็นของดีของวิเศษอะไรเลยแต่ทบอารมณ์ที่มีความสุขจิตก็ไหวทบอารมณ์ที่ทุกข์จิตก็ไห ว, ามาม ไ, หวไม่ใช่ไหวเฉพาะจิตที่ กระทบความทุกข์อารมณ์ไม่ดีนะอารมณ์ดีจิตก็ไหวจิตไหวมันก็เป็นภาระกับจิตภาวนาไปภาวนาไปารู้ว่าโลกทั้งโลกไม่ว่าโลกนี้หรือโลกไหนแต่เดิมคิดว่าโลกนี้ไม่ดีอยากไปเป็นเทวดาแต่พอเรารู้ทันนะตาหูจมูกลิ่นกาใจกระทบอารมณ์ทีไรจนะิตก็ไหวทุกที ไหวที่ไรก็ทุกทุกทีงั้นเป็นเทวดาก็ทุกอีกกระทบอารมณ์เหมือนเรางตาปูชูบุิ้นากายใจกระทบจิตก็กรเทือนขึ้นมาเรียกกระทบแล้วก็กระเทือนขึ้นมาเราอยู่ในความสั่นสะเทือนตลอดเวลามันหาความสงบสุขไม่ได้พอเห็นตรงนี้นะใจมันอยากพ้นไป นึกถึงเทวดามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็มีทุกข์อีกนึกถึงพรหมมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ทุกข์อีกพรหมบางองค์ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายบางชนิดมีแต่ใจอันเดียวใจอันเดียวก็ยังกระทบอารมณ์ได้กระทบความคิดได้มันก็กระเทือนได้อีกจะเป็นสัตว์นรกสัตว์เทระฉาน ก็กระทบอารมณ์มันก็กระเทือนอีกงั้นการที่จะหนีจากพบหนึ่งไปสู่พบหนึ่งนะไม่ช่วยให้เราพ้นทุกข์จริงแต่การที่เรามาฝึกจิตฝึกใจเรเห็นนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก, กระทบอารมณ์แล้วจิตกระเทืนอนขึ้นมาจิตกระเทือนที่ไรนั่นแหละจิตมันก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วเฝรู้เฝ้าเห็นอย่างนี้มันจะไม่คิดนะว่าอยู่ตรงนี้แล้วทุกข์ หนีไปอยู่ที่อื่นแล้วไม่ทุกข์อรอย่างนี้อยู่ที่ไหนมันก็เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปมันก็ไปกระทบอารมณ์อีกจิตมันก็กระเถื่อนเป็นภาราัขึ้นมาอีกสังเกตตัวเองไปภาวนาไม่ใช่หลงอยู่ที่ตัวอารมณ์นะภาวนาต้องถึงจิตถึงใจเห็นคนนี้ใจ ช, ชอบรู้ว่าชอบใจเกลียดรู้ว่าเกลียด อนี้อย่างหยาบต่อไปกระทบอารมณ์ละเอียดนะใจสะเทือนนะยังไม่รู้เลยว่าอารมณ์ที่มากระทบนะั้นดีหรือเลวนะใจมันก็ไหวแล้วตรงที่ใจมันไหวให้ ม, มันทุกแล้วฝึกรู้ทุกข์แจ่มแจ้งทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นทนะุกข์อยู่ที่จิตเหล่านี้เป็นรู้ลงมาที่จิต พนทุกข์มือนกับ้นที่จิตไม่ได้เป็น้นที่อื่นส่วนโลกนั้นพนทุกขไม่ได้เราโล่งเป็นอย่างเนี้ยก็เพื่อมไหวอยู่ตลอดเวลาถ้าอยู่มานานๆจะรู้เลยไม่เคยสงบสุขโลกเดี๋ยวประเทศโ น, น้นตีกับประเทศนี้ประเทศนี้ซัดกับประเทศโ น, น้นเดี๋ยวคนกลุ่มนี้ตีกับคนกลุ่ม น, นู้นไม่เคยมีความสงบสุขในโลก โลกนี้มันคือตัวทุกข์เราก็มาฝึกใจฝึกจิตของเราให้มันพ้นโลกพ้นโลกก็คือพ้นความสั่นสะเทือนกระทบแล้วก็ไม่กระเทือนการกระทบกับโลกหนีไม่ได้มีตามก็ต้องเห็นรูปที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างมีหูจมูกลิ้นใ จ, ใจมันก็กระทบอารมณ์ที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง นี่จิตที่ฝึกดีแล้วมันมีความสุขส่วนโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็เพิ่มใหม่ตลอดเวลาไม่ถือว่ามันสุขแล้วมันทุกข์อะไรสุขทุมอยู่ที่ใจเราก็เท่านั้นเองเรียนรู้ลงที่จิตไม่ใช่เรียนรู้ลงไปที่โลกข้างนอกเรียนรู้ลงที่จิตใจของเราเอง เราฉลาดรู้ความจริงว่าความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นในจิตใจเราหาสาระแก่นสารไม่ได้กระทบอารมณ์ไม่ดีของโลกใ จ, ใจดิ้นรนความดิ้นรนก็อยู่ชัว่วคราวไม่มีสาระแก่นสารกระทบอารมณ์ที่ถูกใจ ใ, ใจก็เพลิดเพลินอย่างนี้ความสุขความเพลิดเพลินในใจก็อยู่ชัว่วคราวไม่มีสาระแก่นสารนีสุด ทุกสิ่งทุกอย่างนะสเสมอภาคกันหมดเลยโลกนี้สเสมอภาคกันนะในทุกๆสิ่งทุกอย่างไม่ทําให้ใจเราฟูขึ้นแฟบลงไม่กระเทือนไม่หวั่นไหวงั้คนที่เรารักจะตายไม่หวั่นไหวคนที่เราเกลียดจะตายเราก็ไม่หวั่นไหวไม่ดีใจว่าสมน้ำหน้ามันตายไปแล้ว จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ฝึกดีแล้วมันมีความสุขตรงไหนมันสงบมันสันตินาฏีสันติรางสุขขังสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีพระนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกพระนิพพานก็คือตัวสันติตัวความสงบนั่นแหละ มันสงบเพราะมันสิ้นตัญหาพอมันกระทบอารมณ์แล้วมันก็เกิดปฏิกิริยามีความอยากต่างๆขึ้นมาเพราะมันไม่รู้ความจริงว่าทุกอย่างมันโชค่วคราวมัอยากมันก็ดิ้นใจมันก็ดิ้นสะเทือนหวั่นไหวอย่างเราภาวนาพอจิตเราละเอียดละเอียดนะมันไหวอยู่ที่กลางอกนี่วันที่สิ้นชาติสิ้นภพ จบพระมาจันท์วันที่ขณะที่บรรลุพระอรหันตะ์แลก็จะสิ้นการไหวของจิตใจจะถึงความสงบสุขที่แท้จริงแล้วถึงความสุขที่แท้จริงสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีสุดยอดของความสงบก็คือพระนิพพานเอง นิพพานังปรามังสุญญังนิพพานังปรามังสุขขังไม่ต้องรอให้ตายแล้วไปเข้านิพพานนั้นกระจอกนิพพานเนี้ยสิ้นกิเลสตรงนี้เข้าถึงความสงบสันติตรงนี้ไม่ก็เพิ่มบันไห้ตรงนี้แหละนิพพานทั้ง ท, งทังที่ลืมตา ท, ทั้งทั้งที่เป็นๆอยู่ไม่ต้องรอตาย ทำได้หรือทำไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเองแล้วละรู้วิธีแล้วบอกวิธีให้แล้วกระทบมารมแล้วก็รู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไปปรุงอะไรก็รู้ไปนี่มันก็พ้นไปถึงเวลาไปกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วจะ ก, กลับบ้านก็กลับอยากอยู่ภาวนาที่วัดก็อยู่ไม่ห้าม ในศาลานี้เข้ามานั่งสมาธิอะไรได้แต่อย่าเดินชนกันก็แล้วกันเพราะแต่วันนี้ไม่ได้วันนี้เดี๋ยวจะต้องจัดเค้าอีจัดต้องคลีนทำความสะอาดก่อนจัดเค้าอี้นะก็ะจัดอุปกรณ์เนืนงวันนี้วันนี้ไม่ได้ให้โยมเข้ามาในศาลานะตอนหลังท้าชันเข้าวันอื่นเข้ามาได้จันจัถึงจัดถึงพืหัดเข้ามาได้ วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องใช้สราเตรียมไหลสดเตรียมยอะไไปไปกินข้าไป